Book 2ูห้าสิบเจ็ดพยาซิมพบหมอล і ก а р я ดิฉันมีนัดกับคุณหมอว э ันนี้จะไปตรวจสุขภดิฉันมีนัดตอนสิบนาฬิกา คุณชื่ออะไรคะอย่างว่าสวาทีรุณานั่งรอในห้อง займ ิด ь ุ้ดลักษมีสต์ฟพรีมัลนีคุณหมอกำลังเดินทางมาลคุณมีประกันกับบริษัทไหน เด็กวิ่งมาหาฉันที่ร้านอาหาร ฉันปวดหัวบ่อยฉันปวดท้องเป็นบางครั้งฉันปวดื้อออ пояса นอนบนเตียงตรวค่ะ ลคความดันโลหิตปกติทิศ่ดิฉันจะฉีดยาให้คุณฉันจะทำอุคดิฉันจะให้ยาคุณฉันจะให้ยฉันจะเขียนใบสั่งยาให้คุณไปซื้อที่ร้านขายยา Я дам вам рецепт для аптеки.